จเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีเจ็ดฝ่บุบนฝ่ายข้สองทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาที่เก้าันวาคมพุทธศักราชสองห้า้อยสี่เก้าเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีมาเล่าว่าจากภารกิจการงานจึงได้มาวัดกันเพื่อมาทำความดี มาทำบุญทำคาญมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมอันเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขความเจริญก้าวหน้าทั้งกับตัวเราเองและกับผู้อื่นเพราะสังคมเรานั้นเป็นสังคมที่เกี่ยวข้องกันมีความสัมพันธ์กัน ถ้าฝ่ายหนึ่งดีความดีของฝ่ายหนึ่งก็จะสามารถดึงให้ฝ่ายหนึ่งดีตามมาได้คือการกระทำความดีนั้นจะส่งผลดีให้ทั้งกับตนเองและกับผู้อื่นส่วนในทางตรงกันข้ามการกระทำความไม่ดีก็จะผลส่งผลเสียให้กับตนและกับผู้อื่นทุกวันนี้ปัญหา ทางสังคมของเรามีมากเพราะเราไม่รู้ว่าวิธีแก้ปัญหาของสังคม น, นั้นแก้กันอย่างไรเรามักจะไปแก้ผิดที่กันคือเราจะไปแก้ที่ผู้อื่นความจริงแล้วเราต้องมาแก้ที่ตัวเราเพราะปัญหาทุกทั้งหมดนั้นเกิดออกออกมาจากตัวเราทั้งนั้นถ้าคนเราทุกคนทาความดีกันแล้ว รับรองได้ว่าสังคมนั้นจะไม่มีปัญหาอะไรแต่แทนที่เราจะมาแก้ปัญหา <c oughs> ที่ตัวเราเราพยายามไปแก้ปัญหาที่คนอื่นคนอื่นเขาก็ยิ่งเกิดการต่อต้านว่าเราไปแก้เขาเขาไม่มีใครอยากจะให้ใครมาแก้กันทุกคนก็รู้ว่าทุกคนไม่ดีแต่ก็ไม่ใครไม่อยากจะให้ใครมาชี้หน้าบอกว่าตนเองไม่ดี เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะแก้ไขาปัญหาให้ถึงจุดขอให้เรามาแก้ที่ตัวเราดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าไม่ไปแก้ไขาก่อนท่งมาแก้ไขาที่ตัวโรของค์เองก่อนทรงมากาจัดต้นเหตุของความวุ่นวายทั้งหลายให้หมดไปจากจิตจากใจก่อนคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่าง สิ่งเหล่านี้แหละคือตัวที่สร้างปัญหาให้กับสังคมสร้างปัญหาให้กับสัตโลกแต่สัโลกกลับมองไม่เห็นกันกลับไปเห็นว่าปัญหานั้นอยู่ที่คนนั้นอยู่ที่คนนี้ก็พยายามไปแก้เมื่อไปแก้ก็มีปัญหาตามมาเพราะคนที่ถูกแก้เขาก็ไม่ยอมให้แก้เขาก็ต้องต่อสู้ต่อต้านก็เลยเกิดเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาเพิ่มขึ้นไปอีก กลายเป็นสงคามขึ้นมาดังนั้นถ้าพวกเราทุกคนรู้จักว่าปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ตรงไหนแล้วหันมาแก้ตรงจุดน้นแล้วรับรองได้ ว, ว่าสังคมของเราจะไม่มีปัญหาอะไรตามมาคือทุกคนต้องหันมาแก้ที่ตัวเราเองแก้ที่ความโลภความโกรธความหลงนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลงเป็นตัวที่ สร้างปัญหาเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดเมื่อหลงแล้วก็เกิดความโลภเมื่อโลภแล้วไม่ได้ก็เกิดความโกรธถ้าไม่หลงก็จะไม่โลภเมื่อไม่โลภก็จะไม่โกรธเพราะว่าไม่ได้อยากจะได้อะไรเมื่อไม่อยากจะได้อะไรเวลาไม่ได้อะไรก็ไม่เกิดความรู้สึกเสียใจไม่เกิดความโกรธแค้นกดเคืนขึ้นมาดังนั้นเราต้องมาแก้ความหลงของเรา ความหลงของเราก็มีหลายระดับด้วยกันระบะระดับพื้นพื้นก็คือเราไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรเป็นสิ่งที่จําเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นเราต้องมาแยกแยะให้ออกว่าอะไรคือเป็นเป็นสิ่งที่จําเป็นอะไรไม่เป็นไม่จําเป็นนสิ่งที่จําเป็นเราก็ต้องมีเราก็ต้องหาส่วนสิ่งที่ไม่จําเป็นเราก็ไม่ควรไปหามันสิ่งที่จําเป็นแก่ การดำรงชีพคืออะไรก็คือปัจจัยสี่อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่หงห่มนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีด้วยกันถ้าไม่มีถ้าขาดตกบกพร่องชีวิตก็จะไม่ไม่เป็นไปด้วยความสุขสบายตัตคัดขัดสนก็ไม่ดีถ้าขาดอาหารร่างกายก็จะผอมแห้งรายน้อยถ้าขาดเสื้อผ้าใส ก็จะดูไม่สวยงามเวลาออกไปข้างนอกใส่เสื้อผ้าขาดขาดเสื้อผ้าที่ไม่ได้ซักเ <c oughs> พราะมีอยู่ชุดเดียวอย่างนี้ก็แสดงว่าขาดขัดสนยังไม่ยังยังไม่พอเพียงก็ต้องหามาเพิ่ม <c oughs> แต่ถ้าเรามีทั้งสี่อย่างนี้พอเพียงแล้วเราก็ไม่ควรที่จะต้องไปหาอะไรมาเพิ่มอีก ส, ส่วนใหญ่เราก็จะไปหาสิ่งที่ไม่จำเป็นที่เร meantime, João, ียกว่าปั us, <c oughs> annoyed, จจัยห้าปัจจัยหกปัจจัยเจ็ดเช่นรถยนต์เช่นโทรศัพท์มือถือโทรยย ola, ทรัศน์วิทยุของเล่นของของดูต่างๆซึ่งไม่มีสิ่งเหล่านี้ชีวิตของเราก็ไม่ได้แย่ลงไปแต่การที่จะต้องไปผลขวายหามันมา นี่แหละจะเป็นตัวที่จะฉุดลากชีวิตของเราให้ลงสู่ที่ต่ำให้มีปัญหาเพิ่มมากขึ้นไปเพราะเมื่อมีความอยากได้สิ่งต่างๆแล้วถ้าไม่มีปัญญาที่จะหามาได้ในขณะนั้นก็ต้องซื้อด้วยเงินผ่อนก็เป็นหนี้ตึงสินแล้วเมื่อไม่สามารถผ่อนหนี้ผ่อนสินได้แต่ยังไม่อยากจะ คืนของที่ซื้อมาไปก็ต้องไปหามาด้วยวิธีที่ไม่ชอบไปทาการทุจริตด้วยวิธีการต่างๆนานาสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นและสร้างความเสียหายให้กับตัวเราเองดังนั้นในเร้่งต้นเราจึงต้องมาแยกแยะว่าอะไรเป็นสิ่งที่จําเป็นและอะไรไม่เป็นสิ่งที่จาเป็นไม่จาเป็น สิ่งที่จาเป็นเราก็ต้องหากันแต่วิธีหาของเราก็ต้องหาด้วยวิธีที่ถูกต้องคือต้องผิดต้องถูกกฎหมายต้องถูกศีลถูกธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมถ้ามาหากินก็อย่าไปทำอาชีพที่มันผิดกฎหมายเช่นไปค้ายาบ้าไปค้ายาเสพติดหรือไปรัดเล็กขโมยน้อยไปป้นไปที้ไปช่อโกง ด้วยวิธีการต่างๆเหล่านี้เรียกว่าเป็นการกระทาที่ไม่ชอบเป็นการกระทำที่จะมีโทษตามมาการทำอาหากินของเราเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราจึงควรทำด้วยอาชีพที่สุดเจริญทำงานทำการที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเมื่อเราได้เงินทองมามากน้อย เราก็เอามาใช้ในสิ่งที่จำเป็นส่วนที่มีเหลืออยู่เราก็เก็บพร้อมรอมรีบเอาไว้เผื่อวันข้างหน้าเผื่อวันข้างหน้าเราไม่สามารถที่จะหาเงินหาทองได้เราก็จะได้อาศัยเงินส่วนนี้ไว้ดูแลตัวเราหรือถ้าเราเป็นคนฉลาดเราก็อาจจะเอาไปลงทุนเพิ่มเพื่อจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาเงินทุกบททุกบาทถ้าเรารู้จักใช้ รู้จักเก็บมันจะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราแต่ถ้าเราไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักเอาไปลงทุนมันก็จะมันก็จะสูญหายไปถ้าเราเอาไปใช้แบบฟุ่มเฟือยกับของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่ไม่มีความจําเป็นเมื่อเรามีเงินพอแล้วมีเงินเหลือแล้วเราก็มีทางเลือกสองทางว่าเราจะเอาไปใช้ทางไหน ใช้กับของฟุ่มเฟือยที่ไม่มีความจําเป็นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่จะทําให้เราเสียนิสัยะติดนิสัยกับการใช้ของฟุ่มเฟือยของไม่จําเป็นของพวกนี้เวลาเราเห็นแล้วเราจะอดที่จะอยากมันไม่ได้อยากจะซื้อมันมาไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่เราไม่มีมันเราก็อยู่ได้นี่คือทางเลือกหนึ่งคือหมดเงินหมดทองไปกับของฟุ่มเฟือยกับของไม่จําเป็นสอง เอามาทํานุบํารุงจิตใจของเราเพราะจิตใจของเราก็ต้องมีสิ่งที่คอยบํารุงรักษาเหมือนกับร่างกายสิ่งที่จะบํารุงรักษาร่างกายก็คือสิ่งที่จะบํารุงรักษาจิตใจก็คือบุญและกุศลถ้าทําบุญทํากุศลก็เหมือนกับการให้ปัจจัยสี่ <c oughs> กับจิตใจจิตใจจะได้รับอาหารจิตใจจะได้มีที่ ครึ่งเอาใจจิตใจจะได้มียารักษาโรคใจจิตใจจะได้มีเครื่องนึ่งห่มอันสวยงามคนที่ทําบุญทําทานรักษาศีนั้นเป็นคนที่มีความสวยงามทางด้านจิตใจเหมือนกับมีเสื้อผ้าอาภรณ์สวยงามไว้ใส่และจะเป็นความสวยงามที่มีคุณค่า วความสวยงามจากเสื้อผ้า อ, าอ่อนของร่างกายคนที่แต่งกายสวยงามด้วยเสื้อผ้า อ, าอ่อนที่แพงๆแต่เป็นคนที่ใจแคบใจไม้ใส่ะระรมใจที่โหดร้ายใจที่ไม่มีความซื่อสัตสยส์จริงคนนั้นถึงแม้จะสวยทางร่างกายแต่ทางจิตใจแล้วไม่สวยเลยและจะเป็นคนที่หน้าบางเกีย ค้าขายรู้จักเข้ารู้ใจเข้าเมื่อไหร่ใหม่ๆคนที่ไม่รู้ก็อาจจะถูกหลอกได้เพราะรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจแต่เมื่อได้ติดต่อกันได้ทํามาค้าขายมีความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆต่อไปความในใจต่างๆก็จะปรากฏออกมาและเมื่อนั้นก็จะเห็นความไม่สวยงามความน่ารังเกียจที่มากับความ ซื่อสัตว์กับความไม่ซื่อสัตย์จริตกับความใจแคบใจไม้ไส้ระกั น, นั้นแต่คนที่ทําบุญทําทานรักษาศินเป็นคนที่ใจกว้างเป็นคนที่มีความอบอ้อมอาร่อยเ อ, อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถึงแม้จะไม่ได้แต่งกายสวยงามไม่ได้ใส่เสื้อผ้าผราคาแพงๆ แ, แต่จะเป็นคนที่น่าชื่นชมน่ารักน่ายิดนดีไม่จืดไม่จาง เพราะความสวยงามของจิตใจนี้ไม่เสื่อมไปกับการกับเวลาไม่เหมือนกับความสวยงามทางร่างกายที่มีแต่จะเสื่อมไปเรื่อยๆ ร, รูปร่างหน้าตาของคนเราก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆความสวยงามก็จะหมดไปที่เราเลีเ้ยงดูน้อยจนในที่สุดจะไม่มีความสวยงามลงเหนืออยู่เลยแต่ไม่ไม่ไม่เป็นเรื่องสำคัญ ถ้ามีความสวยงามทางด้านจิตใจอยู่ความสวยงามทางด้านจิตใจนี่แหละเป็นความสวยงามที่แท้จริงดังนั้นถ้าเรามีเงินแทนที่จะไปซื้อเสื้อผ้าราคาแพงๆมาใส่เราเอาเงินนี้มาทำบุญเอาเงิ น, นนี้มาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลเพื่อที่เราจะได้มีสิ่งที่ดีที่งามในตัวเราเมื่อเรามีแล้ว เราจะมีความสุขเพราะความดีนี่แหละเป็นต้นเหตุของความสุขคนที่ทำความดีจะมีความสุขจึงมีคนทำบุญอยู่เรื่อยๆเพราะเมื่อเขาทำแล้วเขามีความสุขถ้าทำแล้วมีความทุกข์ก็จะไม่มีใครทำบุญกัน <c oughs> ดังนั้นเราจึงต้องแยกยะให้ออกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ จำเป็นและอะไรเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น <c oughs> สิ่งที่ไม่จำเป็นเราก็ต้องพยายามหักห้ามจิตใจยอย่าไปอยากมันเห็นคนอื่นเขามีรถเก๋งราคาแพงแพงก็อย่าไปดิ้นรนอยากมีกับเขาสู้มีใจที่สวยงามดีกว่ามีรถเก๋งแต่เป็นคนใจแคบขับรถไปไหนก็ไปแก่งแย่งชิงดีกับคนอื่นเขา ไปเบียดไปไปเบียดไปแทกเวลารถติดอย่างนี้ก็ไม่สวยงามซื่ขับรถราคาถูกๆแต่เป็นคนใจกว้างไม่ไปแย้งไม่ไปเบียดกับใครใครอยากจะเลี้ยวก็ให้เขาเลี้ยวกไปก่อนก็ได้ใครอยากจะแทงก็ให้เขาแสงไปก่อนก็ได้นี่คือความสวยงามทางด้านจิตใจเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอให้เราจงอย่าหลงประเด็น เพราะว่าเมื่อเราหลงประเด็นแล้วเราจะไม่เราจะแก้ปัญหาไม่ถูกจุดและปัญหาจะไม่ได้รับการแก้ถ้าทุกคนมาแก้ที่จิตใจของตนเองแก้ความเห็นแก่ตัวให้กลายเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวแก้ความเกียดคร้านให้กลายเป็นความขยันแก้ความทุจริตให้เป็นความสุจริตแก้ความไม่ซื่อสัตย์ให้เป็นความซื่อสัตย์ ถ้าเราแก้อย่างนี้แล้วสังคมเราจะอยู่อย่างอย่างร่มเย็นเป็นสุดไม่จำเป็นจะต้องมีตำรวจมาคอยตามจับผู้ร้ายไม่จำเป็นจะต้องมีตำรวจมาคอยตรวจมาคอยเฝ้าสถานที่ต่างๆไม่จำเป็นจะต้องมีกุญจงกุญแจไว้ปิดบ้านเรือนไม่จำเป็นจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันไม่จำเป็นจะต้องมีคุกมีตาราง เพราะสิ่งเหล่านี้มันจะหมดไปมันจะไม่มีความจำเป็นในเมื่อทุกคนทำถูกกฎหมายในเมื่อทุกคนทำสิ่งที่ดีที่งาม <c oughs> ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมามามีสิ่งเหล่านี้ทุกวันนี้ที่เราต้องมีตำรวจมีสารมีคุกมีตารางมีกุญจงกุญแจไว้ใส่บ้านไว้ล็อกบ้านล็อกรถยนต์ก็เพราะว่า จิตใจของคนนั้นไม่มีความซื่อสัตย์สุดจริตนั่นเองถูกอำนาจของความหลงครอบงจนเกิดความอยากเมือ่อยากเมื่ม อ, อยากแล้วไม่สามารถหามาได้ด้วยความสุดจริต <c oughs> ก็ต้องไปทำวิธีชุดด้วยวิธีทุดจริตเช่นไปรัดขโมยรถของคนอื่นไปรักข้าวของของคนอื่น <c oughs> ดังนั้นเราจึงควรที่จะหันเข้ามาแก้ปัญหาที่แท้จริงของเราแก้ปัญหาที่ความหลงนี้เมื่อรู้แล้วว่าอะไรเป็นสิ่งที่จำเป็นและไม่จำเป็นเราจะได้ตัดความโลภตัดความอยากในสิ่งที่ไม่จาเป็นได้แล้วเรามาทำในสิ่งที่จำเป็นคือหาเงินหาทองเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยสี่แล้วเมื่อมีเงินเหลือมีเวลาเหลือก็มาหาอาหารหาปัจจัยสีให้กับใจต่อไปด้วยการทาบุญทำทานด้วยการรักษาสีลด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบจิตใจสงบเมื่อไหร่จะพบกับความมหัศจรรย์กับความสุขอันเลิศประเสริฐสุด ที่ไม่มีความสุขอย่างใดจะมีจะจะมีเสมอเท่าได้ความสุขนี้อยู่ในตัวของเราไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ที่ความร่ํารวยไม่ได้อยู่ที่ยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้อยู่ที่การสรรเสริญเยินยอไม่ได้อยู่กับการได้ยินได้ฟังได้ดูได้กินได้เที่ยวแต่อยู่ที่ ความสงบ ข, ของจิตใจขอให้เราพยายามทำกันให้ได้นี่แหละเป็นของวิเศษเป็นสมบัติที่แท้จริงของเราเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสวงหามาเป็นสมบัติได้และเมื่อได้มาแล้วก็จะไม่มีใครสามารถมารักมาขมโมยมาฉกชิงแย่งไปจากเราได้ไม่เหมือนกับสมบัติภายนอกได้มา ก็อาจจะถูกคนอื่นเขาฉก ช, ชิงแย่งไปได้ <c oughs> แต่ถ้าได้สมบัติภายในแล้วคือได้ความสงบของจิตใจแล้วไม่มีใครจะมาเอาจากเราไปได้เราจะอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขไปตลอดและถ้าเราได้เจริญปัญญาเราก็จะสามารถกำจัด ความหลงต่างๆให้หมดไปได้สามารถกําจัดความอยากความโลภให้หมดไปได้สามารถกําจัดความทุกข์ที่เกิดจากความโลภเกิดจากความอยากเกิดจากความโกรธให้หมดไปได้เพราะการทำจิตใจให้สงบด้วยสมาธินั้นไม่สามารถกําจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากไปได้เพียงแต่กดมันไว เบรมันไว้หยุดมันได้เป็นครั้งเป็นคราวแต่ไม่สามารถกําจัดให้มันได้อย่างถาวรต้องต้องใช้ปัญญาเหมือนกับต้นไม้ถ้าฟันต้นแต่ไม่ได้ถอนรากถอนโคนขึ้นมาต้นไม้ก็ยังไม่ตายก็ยังงอกออกมาได้ยังเจริญเติบโตได้ถ้าต้องการที่จะทําลายต้นไม้นั้นให้ ให้หมดสิ้นไปไม่ให้กลับฟื้นคืนเกิดขึ้นมาอีกก็ต้องถอนรากถอนโคนของต้นไม้ <c oughs> ถ้าต้องการกําจัดความทุกข์ที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงเกิดจากความอยากต่างๆก็ต้องเจริญปัญญาเวลาที่เกิดความอยากได้อะไรก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณา สอนตัวเองว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มานั้นมันไม่ได้เป็นความสุขเลยมันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงได้อะไรมาแล้วก็จะกลายเป็นภาระทางจิตใจเพราะจะต้องคอยดูแลรักษาต้องคอยห่วงต้องคอยกังวลและเกิดเวลาสูญเสียไปก็เกิดความเสีย อ, อกเสียใจ ในขณะนี้เราไม่มีอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่สิ่งที่เราอยากได้แต่เมื่อเราได้สิ่งนั้นมาแล้วมันก็จะกลายเป็นภาระทางจิตใจขึ้นมาทันงทีและเมื่อต้องสูญเสียมันไปเราก็ต้องเสียอกเสียใจร้องหผมร้องไห้ถ้าเราคิดอย่างนี้ทุกครั้งที่เราอยากจะได้อะไรเราจะไม่กล้าไม่อยาก ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําไมในเมื่อมันไม่จําเป็นแต่ถ้ามันจําเป็นก็ต้องหามาเช่นอาหารต้องมีรับประทานก็ต้องหามาเสื้อผ้าที่อยู่อ า, ายัยยารักษาโรค ก, ก็ต้องหามาแต่ก็ไม่ต้องหามาจนเต็มบ้านเต็มช่องล้นบ้านล้นช่องเอาเท่าที่จําเป็นพอเพียงกับการดํารงชีพก็พอนี่คือปัญญาที่จะเกิดขึ้นถ้าเรา สอนใจเราอยู่เสมอว่าชีวิตของเรานั้นความสุขของเรานั้นไม่ได้อยู่ตรงที่การมีสมบัติเข้าของเงินทองทอไม่ได้อยู่กับความร่ารวยไม่ได้อยู่กับฐานะยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งต่างๆไม่ได้อยู่กับการสรรเสริญเยินยอของผู้อื่นไม่ได้อยู่กับการได้ไปเที่ยวได้ไปกินได้ไปดูได้ไปดื่ม เพราะสิ่งเหล่านี้เราก็ทำกันมามากมายแล้วถ้ามันทำให้เราสุขให้เราเจริญจริงๆมันน่ามันก็น่าจะสุขน่าจเจริญแล้วแต่เราก็ยังเหมือนเดิมอยู่เราก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังหิวยังอยากยังต้องการอยู่ยังทุกข์ยังวุ่นวายใจยังกังวลยังห่วงยังหวาดกลัวกับเรื่องนั่นเรื่องนี้อยู่นั่นก็เป็นเพราะว่า สิ่งต่างๆที่เราไปอยากได้มาและแสวงหามาได้นั้นมันเป็นเหตุของความทุกข์ทั้งนั้นมีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งนั้นมีสามีก็ทุกข์กับสามีมีภรรยาก็ทุกข์กับภรรยามีลูกก็ทุกข์กับลูกมีสมบัติข้าวของเงินทองก็ทุกข์กับสมบัติข้าวของเงินทองไม่เห็นจะมีความสุขเลย ความสุขได้ก็ชั่วประเดียวประดาแต่ความทุกข์นี่มันมีอยู่ตลอดเวลาอยู่ในใจตลอดเวลาจนวันตายไปเลย <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาต้องคอยสอนใจเราอยู่ตลอดเวลาแล้วต้องใช้มันในขณะที่เกิดความอยากขึ้นมาเกิดความโลภขึ้นมาต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นความสุขนะสิ่งที่เราต้องการมามันมีแต่ความทุกข์ตามมาเต็มไปหมดเลย เราสู้อยู่แบบไม่มีดีกว่าอยู่ไม่มีเราก็อยู่ได้ทำไมเราไม่อยู่กันทำไมเราต้องไปมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาสร้างภาระทางด้านจิตใจให้กับเรา <c oughs> ถ้าสอนใจอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าเราจะชนะความโลภชนะความอยากได้แต่ถ้าเราไม่สอนเดี๋ยวเราก็จะหลงเดี๋ยวเราก็จะหลือ เดี๋ยวเราก็จะโลกดังนั้นเราจึงต้องเข้าวัดอยู่เรื่อยๆเพราะเวทสถานที่ที่จะทําให้เราสอนจิตสอนใจของเราได้อย่างต่อเนื่องก็คือการมาอยู่วัดปฏิบัติธรรมเพราะในวัดนั้นไม่มีเรื่องราวอย่างอื่นมาคอยดึงใจของเราให้ไปคิดไปกังวลไปยุ่งเกี่ยวด้วยถ้าอยู่บ้านเดี๋ยวก็มีเรื่องนั้นมีเรื่องนี้มาให้คิด มาให้แก้ก็ไม่มีเวลาที่จะมาคิดถึงเรื่องทางปัญญา <c oughs> เมื่อไม่คิดไปสักระยะหนึ่ง <c oughs> ก็จะเผลอลืมพอเผลอลืมความหลงก็จะกลับเข้ามาคร <c oughs> <c oughs> อบองำจิตใจแล้วก็จะสร้างความโลภสร้างความอยากพอโลภแล้วก็ไปแล้วพออยากก็ไปแล้วไปตามความอยากไปตามความโลภ กว่าจะรู้สึกเจือก็ตอนที่ช้า อ, อกช้าใจเสีย อ, อกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ <c oughs> ตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเมื่อใจมันเจ็บมันช้าแล้วมันก็ไม่ใช่จะหายทันทีทันใดก็ต้องใช้เวลารักษาเหมือนกับแผลของร่างกายก็ต้องใช้เวลารักษาแผลแผลของใจก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเกิดความเจ็บช้ำน้ำใจ เกิดความเศร้าโศกเสียใจก็ต้องใช้เวลารักษาไปถ้ารักษาไม่เป็นดีไม่ดีอาจจะเป็นมากกว่าเดิมหรืออาจจะเป็นเหตุให้ต้องทําลายชีวิตของตอนเองไปเพราะทนกับความทุกข์กับความเจ็บช้าน้นําใจไม่ไหวพคนเราที่ฆ่าตัวตายกันก็เพราะเหตุนี้ทั้งนั้นฆ่าตัวตายเพราะมีความทุกข์มากมีความเสียใจมาก แต่ไม่รู้จักวิธีรักษาใจวิธีรักษาใจก็ไม่มีอะไรก็ทาใจอย่าไปคิดถึงเรื่องที่มันผ่านไปแล้วอะไรมันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปอะไรที่เสียไปแล้วหมดไปแล้วก็หมดไปดูส่วนที่เรายังมีดีกว่าดูว่าเรายังมีอะไรเหลืออยู่เรายังมีร่างกายเรายังมีอาการสาสิบสองครบถ้วนบริบูรณ เรายังดีก่าคนอีกต้องเยอะแยะที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ตาต า, ตาบอดหูหนวกแขนขาดขาขาดเรายังมีอาการ32อยู่แต่เราทําไมกับทุกขมากกับคนที่หูหนวกตาบอดแขนขาดขาขาดก็เพราะเราไม่มีสติไม่มีปัญญาคิดกันนั่นเองพอสูญเสียอะไรไปแล้วก็อยากจะได้คืนมาอย่างเดียว ถ้าไม่ได้คืนมาแล้วจะต้องดิ้นตายให้ได้นี่เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกทางการแก้ปัญหาที่ถูกทางก็คือต้องยอมรับความจริงต้องมองว่ามันเป็นอดีตไปแล้วมันเป็นเหมือนเมื่อวานนี้แล้วมันผ่านไปแล้วเหมือนกับความฝันมันผ่านไปแล้วเมื่อคืนนี้เราฝันว่าเราเป็นนางงามจากโกวานเราได้เป็นประธานาธิบดี แต่พอเราตื่นขึ้นมาเราก็เป็นคนธรรมดาแล้วก็ไม่เห็นเสียหายอะไรมันก็ผ่านไปแล้วอย่นใดเราจะสูญเสียอะไรไปมากน้อยเพียงไรมันก็ผ่านไปแล้วเราก็ยังอยู่ตัวเราก็ยังอยู่ใจของเราก็ยังอยู่เราก็ยังสามารถมีความสุขได้เหมือนเดิมถ้าเราทำจิตใจของเราให้สงบไม่ไปคิดไม่ไปอะไรเอาวอนไม่ไปเสียดายกับอะไรเราก็มีความสุขได้ไมเห็น เพราะว่าใจมันไม่ต้องมีอะไรนั่นเองใจไม่ต้องการอะไรภายนอกเลยไม่มีความจําเป็นเลยถ้ามีความจําเป็นแล้วพระพุทธเจ้ากับพระอาหาันต์ศาสาโกจะอยู่แบบที่ท่านอยู่ไม่ได้ท่านไม่มีอะไรเลยทําไมท่านอยู่ได้ก็เพราะว่าใจของท่านไม่จําไม่จําเป็นต้องการที่จะมีอะไรนั่นเองแต่พวกเราทําไม่ได้เพราะเราถูกความหลง คอยหลอกอยู่ตลอดเวลาคอยเสี้ยมสอนอยู่ตลอดเวลาว่าจะต้องมีสิ่งนั้นจะต้องมีสิ่งนี้ต้องมีมีรถมีบ้านมีโทรศัพท์มีถือมีโทรทัศน์มีอะไรแต่นี่อะไรเต็มไปหมดแล้วมีแล้วเราวิเศษวิโสขึ้นมาหรือไม่มีความสุขมากขึ้นความทุกข์น้อยลงไปหรือไม่หรือกลับมีความทุกข์มากขึ้นกว่าเดิมเราก็ไม่พิจารณากันเราไม่มองกัน เราก็จึงไม่รู้แล้วก็ถูกความหลงหลอกให้ไปหามาเพิ่มอรื่เรื่อยๆยิย่งหามาเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเท่านั้นนี่แหละคือปัญหาของพวกเราปัญหาของสังคมก็เกิดจากความหลงนี้เองหลงให้พวกเราต้องไปแก่งแย่งชิงดีหาหาเงินหาทองหาสมบัติหาข้าวขอ ง, งตา่างๆ แล้วก็ต้องมาต่อสู้กันมาทะเลาะวิวาทกันมีเรื่องมีราวกันแต่ถ้าพวกเราทุกคนหันมาศึกษาแล้วทตาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้หาเพียงแต่สิ่งที่จําเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นเราจะไ ม, เะไม่เราจะไม่หามาันมาแล้วรับรองได้ว่า <c oughs> ชีวิตของพวกเราจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุดจะไม่มีการแก่งแย่งชิงดีจะไม่มีการต่อสู้กัน จะอยู่กันด้วยความเมตตา ม, <c oughs> <c oughs> มีความอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีใจกว้าง <c oughs> ไม่ใจแคบไม่ใจไม้ไส้ระกม <c oughs> ความหลงนี่แหละที่มันทำให้เราเป็นคนใจไม้ใ จ, ใจไม้ไส้ระกำใจแคบเพราะความโลภความอยากได้เมื่ออยากได้แล้วก็ไม่อยากจะให้คนอื่นแต่ถ้าเราไม่มีความโลภไม่มีความอยากได้แล้ว เราจะเป็นคนใจกว้างมีอะไรเหลือกินเหลือใช้เราจะไม่อยากจะเก็บไว้เราอยากจะเอาไปช่วยเหลือคนอื่นเพราะเรารู้ว่าการได้ช่วยเหลือคนอื่นนี่ทำให้เกิดความสุขทั้งกับตัวเราเองและกับผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือนี่คือการดำเนินชีวิตที่ถูกทางการแก้ปัญหาที่ถูกทางต้องแก้ที่ใจเราต้องดับความหลง เมื่อดับความหลงได้แล้วก็จะดับความโลภดับความอยากดับความโกรธได้เมื่อไม่มีความโลภความอยากความโกรธแล้วสังคมก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จรงจิงอยากจะให้ท่านทั้งหลายจงหันมาแก้ปัญหาที่ตัวเราก่อนอย่าไปแก้ปัญหาคนอื่นแก้ที่ตัวเราให้ได้ก่อนเมื่อได้แล้วเราจะเป็นตัวอย่างที่ดี ที่จะทำให้คนอื่นเขาเกิดศรัทธาที่อยากจะแก้อยากจะเป็นเหมือนเราเช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกทั้งหลายท่านแก้ปัญหาของท่านแล้วท่านก็ทำตัวของท่านให้หน้าเข้ารบเรื่มใสหน้าศรัทธาเราเห็นเราก็อยากกราบไหวบูชาอยากจะปฏิบัติตามนี่คือการแก้ปัญหาที่แท้จริงขอให้เราแก้ตรงจุดนี้ อย่างน้อยที่สุดเราก็จะได้แก้ปัญหาของเราส่วนปัญหาของคนอื่นนั้นไม่มีใครแก้ให้ใครได้ทุกคนต้องแก้ด้วยตัวของตัวเองเพียงแต่อาศัยตัวอย่างที่ดีของผู้อื่นเป็นเครื่องสร้างศรัทธาเป็นแบบเป็นเป็นแบบเป็นฉบับเท่านั้นเองดังนั้นยิ่งขอให้ท่านจงหันมาแก้ที่ตัวเราเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อจะได้ทําให้สังคมอยู่กันอย่าง โลกเย็นเป็นสุขต่อไปการสแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยึดติไว้เพียงเท่านี้ <c oughs> ขอบุญกุศลที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเธอ